นั้นเมื่อหยุดพูดก็สังเกตเมาสไปรวมๆ ว, ว่ากายนิ่งอย่างไรใจต่างจากขณะที่พูดอย่างไรดูแค่ความแตกต่างระหว่างพูดกับไม่พูดเท่านั้นพอจากหลักที่ว่าเมื่อขณะเห็นภาวะที่ต่างกันขณะนั้นสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นและเมื่อสัมปชัญญะเกิดบ่อย จิตย่อมแยกออกมาเป็นภาคผู้รู้ผู้ดูสักแต่เห็นกายใจทำหน้าที่พูดไปจิตก็ทำหน้าที่รู้ไปสำคัญคือถ้าทำแค่ประเดียวประดาวจะไม่เห็นผลต้องทำบ่อยกระทั่งเกิดความชำนาญและเหมือนเตือนตัวเองให้รู้แบบเรียบขอภัยค่ะแบบเปรียบเทียบไปเองว่าระหว่างพูดกับหยุดพูดนั้นต่างกันอย่างไร การทำงานก็ทำนองเดียวกันไม่ว่าจะใช้มือเขียนหนังสือหรือพิมพ์ไม่ว่าจะต้องติดรองคิดคำนวณซับซ้อนขนาดไหนก็ให้ทุ่มเทความใส่ใจกับงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังแต่พักหยุดเพื่อสังเกตเปรียบเทียบว่าความแตกต่างเป็นระยะถ้าไปคาดหวังว่าจะให้รู้ขณะของการทำงานทุกกระดิ แค่ระลึกแบบคมคุมเหมือนอยู่ในอนุสติว่าขณะนี้กำลังทำงานอาการทางกายและใจเป็นอย่างนั้นเมื่อหยุดพักแล้วอาการทางกายทางใจเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้เตียงแค่ให้มีสักครู่ที่เรารู้สึกว่าอาการหยุดงานเกิดขึ้นแทนภาวะทางานก็เป็นอันใช้ได้เมื่อทำดูครั้งรแรก อาจจะไม่ค่อยรู้สึกความฟุ้งจะเบาลงสักเท่าไรต่อเมื่อทำเป็นประจำทาอยู่ทุกวันนานเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีก็จะรู้สึกมาเองว่ามีตัวทำงานอยู่ตัวหนึง่งเหมือนสัตรีเป็นหุ่นแสดงละครไปส่วนจิตนั้นแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้สังเกตการอยู่เฉยๆบางทีก็กระโดดเข้าไปเป็น ผู้ร่วมเป็นผู้ทำงานแต่หลายทีก็เหมือนจะแยกต่างหากอย่างไม่มีความเกี่ยวข้องแต่ถึงแม้จะทำไม่ได้ทุกจุดดังกล่าวอย่างน้อยที่สุดก็จะพบว่าเมื่อทำจนเป็นนิสัยจริงๆความฟุ้มจะเบาลงและก็มีจุดหยุดมีช่วงพักเงียบเป็นระยะทาให้พายุ ในหัวก่อตัวไม่เต็มที่พอจะเป็นลูกคลื่นลูกใหญ่ก็คอยมีตัวเงียบมาแทรกซ้อนขัดขวางตัดตอนให้เล็กลงเสียก่อนฉะนั้นโดยรวมจึงรู้สึกเป็นคนฟุ้งน้อยลงแล้วก็มีใจสงบมากขึ้นทุกวันใช้ความคิดล้างความคิดการใช้ความคิดล้างความคิดจัดเป็นอุบายเรียกสติชนิดหนึ่ง เหมาะสำหรับย้ำคิดเรื่องใดเรื่องหนึง่งจนกลัดกลุ้มไหนไหนก็ต้องคิดและเลิกคิดไม่ได้แล้วก็ใช้ความคิดนั่นเองมาดึงให้ตัวฟุ้งอ่อนกำลังลงชีวิตทั้งหมดของเราผูกไว้กับความคิดถ้าคิดเป็นก็จะได้ผลลัพธ์เป็นชีวิตและจิตใจที่ปลอดโปร่งปราศจากความฟาุ้งซ่านรำคาญใจได้ สำหรับนักภาวานานั้นการคิดเป็นก็คือจิตรู้สึกถึงความไม่เที่ยงหรือว่าคิดให้จิตรู้ถึงความไม่ใช่ตัวตนหลักการคิดเข้าสู่การเห็นความไม่เที่ยงอย่างง่ายก็คือข้อหนึ่งตั้งสติรู้ตัวว่ากำลังคิดถึงเรื่องอะไรข้อสองมองตามจริงว่าเราคิดเรื่องนั้นไม่ได้ตลอด ช่วงขณะที่รู้สึกตัวว่าอยู่ในระหว่างแห่งกระแสะความฟุง้งหากเลือกณนะวินาทีนั้นถามตัวเองให้ทันว่ากำลังคิดเรื่องใดเมื่อเกิดคำถามเช่นนี้ทานแห่งความคิดอันเชี่ยวกรากก็จะสะดุดลงวูบหนึ่งกล่าวคือเมื่อตอบตัวเองได้ว่ากาลังคิดถึงเรื่องใดจะรู้สึกเหมือนคนเพิ่งตื่นขึ้นทบทวนความฝัน เมื่อสังเกตได้ว่าอาการปล่อยความคิดไปเรื่อยนั้นเหมือนฝันส่วนการรู้ตัวกำลังคิดอะไรนั้นเหมือนตื่นจากฝันก็คงมองความคิดที่ผ่านมาเหมือนความฝันเราฝันอยู่ตลอดไม่ได้ในที่สุดต้องตื่นในที่สุดต้องฝันจะลายไปชั่วขณะที่คิดได้แม้ว่ากระแสะความคิดยังเป็นอนิจจังนั่นเอง จะทำให้เกิดมุมมองอันแจ่มกระจา่างว่าเรื่องราวทั้งหลายในชีวิตที่เป็นอยู่นั้นไม่ช้าก็เร็วต้องเปลี่ยนแปลงไปหากเริ่มคิดถึงความไม่เที่ยงของสิ่งนอกตัวก่อนน้ำหนักให้ยอมรับ น้อยกว่าการคิดถึงความไม่เที่ยงในตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงค้าพุ่งเป้าไปที่ตัวความคิดเลยทีเดียวก็จะเหนี่ยวนำจิตเข้าสู่ภาวะปล่อยวางได้เร็วที่สุดหลักการคิดเข้าสู่การเห็นความไม่ใช่ตัวตนอย่างง่ายก็คือ 1. สังเกตว่าสิ่งที่ตากำลังเห็นตรงหน้าคืออะไรข้อ2หาความสัมพันธ์ ว่าสิ่งที่ตากำลังเห็นนั้นกระตุ้นให้เราคิดถึงอะไรรู้สึกอย่างไรอุบายนี้เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดตามแรงผลักของกิเลสให้เข้าสู่การคิดตามสิ่งกระทบอันเป็นปัจจุบันเมื่อเริ่มสังเกตจริงๆว่าข้าวของเครื่องใช้รอบตัวล้วนกระตุ้นให้คิดอะไรอย่างหนึ่งเสมอเช่นเห็นอุปกรณ์การทางานก็นึกถึงงาน เมื่อทึกนึกถึงงานในช่วงปัจจุบันทำให้เกิดความสุขหรือความทุกข์หรือเห็นแก้วน้ำก็ทำให้นึกถึงความชุ่มชื่นที่ผ่านลำคอดับกระหายนึกถึงความเย็นที่ทำให้เกิดความสุขลองเปลี่ยนสายตาไปเรื่อยเรื่อยเห็นอย่างหนึง่งคิดอย่างหนึง่งหันไปเห็นอีกอย่างหนึง่งคิดอีกอย่างหนึง่งแต่ละจุดที่จับต้อง รู้ชัดว่าภาพที่เห็นนั้นทำให้คิดถึงอะไรทำให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หากเปลี่ยนจากสายตาจับสิ่งของสักสิบชิ้นจะเกิดความเห็นขึ้นมารำไรว่าความคิดและความรู้สึกเป็นอนัตตาจริงๆเพราะมีความโยงใยสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอไม่เป็นตัวของตัวเองโดยเ อ, ยเอกเทศเช่นนี้ก็จะลดความยึดมั่นถือมั่น ในความคิดลงได้อันเป็นเหตุให้ความฟุ้งอ่อนกําลังตามไปด้วยหากคิดเพื่อให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วยังไม่หายฟุง้งอาจคิดว่าเรากําลังทำร้ายตัวเองขอให้หกแขนตัวเองเอาชนิดเจ็บหน่อยแล้วก็นึกเปรียบเทียบว่าอยู่ๆทำร้ายตัวเองนั้นนับว่าแปลกหรือนับว่าเขานานๆหกตัวเองสักทีเหมือนบ้า แต่นี่คิดให้จิตยุ่งเหยิงกระเจิงเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ตลอดเวลายิ่งไม่หนักกว่าเก่าหรือสังเกตการตกค้างของต้นเหตุความฟุง้งคนเรามักจะมีเรื่องร้ายๆตั้งเล็กตั้งใหญ่ก็เป็นเหตุให้หวนกลับไปดึงมาคิดเสมอและก็มักจะไม่ใช้การคิดแบบเป็นระเบียบหาความสงบลงเลยแต่จะคิดถึงเรื่องนั้นๆแบบวนเวียนซ้ำไปซ้ำมา หาทางออกไม่เจอแบบเดียวกับคนที่สนุกกับการเอาไฟมาล่นคางตัวเองเล่นทั้งที่เห็นว่าร้อนแต่ก็เคยนิสัยกับการทำร้ายจิตอยู่เช่นนั้นเรื่องอันเป็นต้นเหตุความฟุ้งจะอยู่ในรูปของจุดบอดกลางใจคล้ายมีสิ่งค้างคารบกวนอยู่ตลอดบางทีพิจารณาโดยความเป็นของเกิดดับก็แล้ว พิจารณาโดยแยกกายด้วยแนวคิดหลากหลายก็แล้วท้ายที่สุดก็ยังคงค้างอยู่ตรงนั้นกล่าวกันว่าเวลาจะรักษาแผลใจได้ทุกชนิดนั้นเป็นเรื่องจริงแต่จะช้านานเพียงใดขึ้นอยู่กับท่าทีของเราต่อเรื่องนั้นด้วยคนทั่วไปจะตอบย้ำให้แผลลึกขึ้นหรือฉีกแผลให้กว้างขึ้นเจ็บปวดยิ่งยิ่งขึ้น แต่ว่านักภาวนาต้องทําอย่างใดอย่างหนึง่งให้ถอนขึ้นมาทีละน้อยและก็ถอนอย่างฉลาดรู้ว่าไม่ควรหวังผลรวดเร็วรวบรัตเพราะจิตใจเป็นของละเอียดอ่อนแตกต่างจากกายหยาบที่ถูกน้ำำําตามและถอนทีเดียวหมดได้ง่ายๆสิ่งที่เสียดแทนใจจะเป็นอะไรเราต้องถอนกันหลายครั้งจึงจะหลุดจริงสรุปคือ ถ้าหาทางดับความฟุ้งในเรื่องร้ายไม่เจอก็จงให้เวลาทำหน้าที่นี้แทนเรื่องที่คอยรังควานให้คิดมากอยู่มีหลายแบบน้นหนักของแต่ละเรื่องทำให้ระยะเวลารักษาใจแตกต่างไปด้วย ที่เรากำลังพูดถึงในข้อนี้คงเน้นชนิดที่ยังติดตามกวนใจหลอกหลอนใ้สางเหมือนของกาจัดยากจะต้องใช้เวลาเยียวยากันนานถ้ามองแง่ดีก็คือเรื่องรบกวนจิตใจดังกล่าวเป็นสภาวะธรรมที่เห็นง่ายขอให้ปลูกสติไว้กับเรื่องคาใจตลอดเวลาในอาการสอดส่องดูว่ายังอยู่กับใจเราหรือเปล่าสารวจที ให้รู้ตามจริงหากยังอยู่ก็ยอมรับว่ายังอยู่แต่เปรียบเทียบด้วยว่าอยู่มากหรืออยู่น้อยกว่าเดิมเอาแค่แปลงฟันเสร็จก็ถามตัวเองว่าเรื่องนั้นยังอยู่ในใจไหมพูดคุยกับใครเสร็จถามตัวเองว่าเรื่องนั้นอยู่ในใจไหมกินข้าวเสร็จถามตัวเองว่าเรื่องนั้นยังอยู่ในใจไหมเพียงด้วยอุบายเท่านี้ ก็จะพบว่าความทรงจําอันเป็นเสี้ยนตําใจหรือหนามย่อกอกค่อยๆแสดงความไม่เที่ยงออกมาชั่วโมงต่อชั่วโมงหรือวันต่อวันกล่าวคือน้ําหนักของเรื่องคาใจมีผลกระทบต่อเราบางทีมากบ้างน้อยบ้างและค่อยๆเจิดจางไปเรื่อยๆขอเพียงอาการที่เราระลึกถึงความทรงจําดังกล่าวไม่ใช่วิธีตอกย้ําซ้ําเติมตัวเองเท่านั้น หากลองทำให้ถึงจุดของความคลายบ้างแล้วในที่สุดจะเกิดความเห็นจริงขึ้นมาคือจิตของเราเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่คลี่คลายจากความเป็นอย่างหนึ่งสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่งเสมอและโดยความเป็นเช่นนั้นเองเวลาจึงเกิดขึ้นหาใช่ว่าเวลามีตัวตนและเป็นตัวการทำให้จิตของเราเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคําว่าเวลาช่วยรักษาแผลใจนั้นหากเราให้ถูกต้องตรงสัจจะต้องเปลี่ยนเป็นธรรมชาติของใจช่วยอะไรดีขึ้นเองและเราก็มีส่วนร่วมรับรู้สัจจานี้อย่างใกล้ชิดเพื่อปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของจิตบางคนฝึกเวทานานุปัสสนาหรือจิ ต, ตานุปัสสนาแล้วยังไม่เห็นใจตัวเองก็เป็นอนัตตาชัดนัก แต่เมื่อเอากำหนดเอาเรื่องคาใจเป็นตัวตั้งเห็นความอ่อนแรงลงเป็นตัวการติดตามเฝ้าสังเกตชนิดตาไม่กระพริบก็อาจจะสัมผัสอนัตตาได้แจมแจ้งเมื่อวันหนึ่งเรื่องคาใจล่องหนไปอย่างสิ้นเชิงโดยบอกตอนเองได้ตามปากปากว่าเราดูอยู่เฉยๆมันหายไปเองไม่ใช่ว่าเราทาอะไรกับมันเลยแม้แต่น้อย อุบายสังเกตเรื่องคาใจนี้อาจเป็นฐานให้ต่อยอดสู่การภาวนาที่สูงขึ้นในระดับขันห้าซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไปการล้างเสียงเพลงจากหัวใจ ทุกวันนี้แม้บางทีเราไม่ใช่คนที่ชอบฟังเพลงบางทีก็อาจต้องเดินทางหรือว่าไปในงานในสิ่งแวดล้อมที่เคล้าไปด้วยเสียงเพลงหากมีปัญหาเรื่องเสียงเพลงในหัวที่ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆทำให้เกิดความราคาญขอให้ถือว่าเป็นความฟุ้งซ่านประเภทควบคุมไม่ได้ชนิดหนึ่งอุบายการแก้อย่างง่ายที่ตรงไปตรงมาก็คือ เมื่อเกิดเสียงเพลงในหัวขอให้เพิ่ความสนใจเสียงคือไม่ขับไล่ไม่บังคับให้เสียงหายแต่มาใส่ใจรู้เฉพาะการยุ่งยุ่งในหัวหรือรู้เฉพาะความไม่โล่งใจหรือถ้าหากเกิดอัอดรำคาญขนาดทำให้เกิดแรงดันในกายขึ้นเพียงพอที่จะกาหนดรู้สึกได้ก็ตั้งสติรู้เข้าไปที่ตรงนั้น อาศัยหลักการภาวนาที่รู้สิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นย่อมแสดงความไม่เที่ยงเสียงเพลงในหัวก็เช่นเดียวกันเป็นคล้ายเงาลวงตาไม่มีตัวตนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอาการฟุ้งเล็กฟุ้งใหญ่ของจิตเท่านั้นขอเพียงเราเห็นลักษณะความฟุง้งและไม่แม้แต่อยากให้เสียงเพลงหายไปจากหัว ในที่สุดจิตก็จะถอนมาจากการฟุ้งแบบนั้นซึ่งผลก็คือเสียงเงียบไปเองเมื่อเสียงเงียบก็ดูอยู่ตรงนั้นสักครู่หนึ่งเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างสภาวะฟุ้งกับไม่ฟุง้งเมื่อเห็นภาวะต่างก็ย่อมเกิดอาการสักแต่รู้อย่างน้อยแวบหนึ่งสำคัญคือถ้ามีเสียงเพลงตกค้างและวนมาเล่นซ้ำอยู่เรื่อยๆ ก็ต้องทําความเข้าใจว่าเรามีหน้าที่อันเดิมให้ทําซ้ำเช่นกันคือรู้เข้ามาในลักษณะกระเพื่อมไหวหรือลักษณะกดดันหรือลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งของจิตอันเป็นพื้นยืนของเสียงเพลงในหัวอย่ท้อว่าต้องรู้ไปกี่สิบกี่ร้อยครั้งเพราะถ้าหากกําหนดรู้ถูกจุดแม่นยําก็จะพ้นรําคาญไปเปราะหนึ่ง แทบทันทีทุกครั้งเช่นกันหากรู้แล้วเสียงไม่หายขอให้ตระหนักว่าจิตเราจ่อเข้าไปที่เสียงเพลงในหัวตรงตรงอันนั้นนอกจากจะไม่หายแล้วก็ยังเป็นการใส่เหตุปัจจัยเลี้ยงเสียงไว้อีกด้วยถ้ายังมองลักษณะจิตปุงไม่ออกจริงๆก็ขอให้ดูการที่เป็นรูปธรรม เช่นสายตาที่ทอดมือหรืออาการวงงในหัวหรืออาการขมวดคิ้วเล็กๆจะเป็นอะไรทางกายก็ได้ที่ปรากฏในขณะนั้นถือว่ามีส่วนร่วมส่วนเชื่อมโยงกับเสียงเพลงได้หมดเมื่อรู้อาการเล็กๆทางกายตรงจุดใดแล้วอาการดังกล่าวคลายออกเสียงเพลงก็หายไปจากหัวได้เช่นเดียวกันเพราะผูกโยงกันอยู่ไม่มาก การล้างความคิดลบปลุพระรตันต์ไร้ปัญหานี้ค่อนข้างหนักหนว่วงและก็เป็นที่ทรมานใจพุทธศาสนิกชนเป็นจํานวนมากสาเหตุจะเกิดจากอะไรก็ตามทีขอให้ทราบว่ า, ม, า, าะะมีเพื่อนพุทธศาสนิกชนขออภัยนะคะมีเพื่อนพุทธศาสนิกชนมากมายร่วมเคราะห์อยู่ด้วยไม่น้อยเลย ทางแก้อันดับแรกก็คือระลึกไว้ว่าอย่าหลงกลความคิดหากคิดแล้วไปห้ามตัวเองฝืนตัวเองด่าว่าตัวเองอะไรจะยิ่งเลวร้ายใปกันใหญ่ความคิดด้านลบไม่อาจล้างด้วยความคิดด้านลบขอให้เย่นเบนความคิดที่กำลังเกิดขึ้นเสียเช่นทำเหมือนคำแนะนำในข้อก่อน คือแปลความสนใจจากเรื่องที่กำลังคิดมาเป็นความสนใจอาการปุ้งของจิตหรือว่าอาการของกายแทนเมื่อเห็นแล้วก็จะแก้ปุ้งแบบผิดๆได้ชั่วคราวเนื่องจากอาการของจิตหรืออาการของกายจะแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นได้ในทันทีที่รู้อยู่แต่ถ้าหากยังช่วยไม่ได้ก็ขอให้ลองตั้งสัจจะ คิดอธิษฐานดูว่าแก่นแท้ของใจเราไม่ได้คิดลบหลู ร, รัตนะตรัยเลยเป็นเรื่องของกระแสความคิดอันเป็นอนัตตาเท่านั้นและในเมื่อกระแสความคิดเป็นอนัตตาก็ขอให้เราจงมีความรู้แจ้งเห็นจริงที่ไม่หลงติดกับดักของอนัตตาคิดเช่นนี้แล้ว ให้ยกมือไหว้ขอขมาหรือถ้าอยู่ใกล้โต๊ะหมู่บูชาก็อาจจะน้อมกายลงกราบทีเดียวการไหว้หรือการกราบครั้งต่อครั้งก็จะเป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนใจจริงอาจนึกในใจว่านี่คือใจจริงของผมหรือนี่คือใจจริงของหนูนั่นคือใจจริงของเรามีความปรารถนาจะกราบไหว้ด้วยความเคารพอย่างนี้ต่างหาก พลังความอ่อนน้อมนั้นยิ่งมากยิ่งหนุนความคิดด้านดีให้เทวีตัวขึ้นท่วมทับกระแสความคิดด้านร้ายจนไม่อาจต้านทานอีกประการหนึ่งขอให้พิจารณาว่าการตั้งใจพูดดีไม่โป๊ปดมดเท็จไม่สอดเสียกไม่กล่าวคำหยาบและไม่พร่มเพ้อเจอ้อ ก็จะทำให้กระบวนการคิดตั้งมั่นบนผืนการปรุงแต่งอันเป็นกุศลเราพูดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นจิตวิญญาณเราจะถูกตกแต่งให้น้มเอียงไปในทางนั้นก็นับเป็นนโยบายปิดกั้นทางเข้าของความคิดอันชั่วร้ายได้ประการหนึ่ง ใช้ความรําคาญเป็นเครื่องภาวนาความพุ่งสั้นชนิดที่ทําให้เกิดความรําคาญประการหนึ่งอาจเกิดจากความไม่ชอบใจผัสสะกระทบที่ต้องเผชิญเป็นประจำ อย่างเช่นหน้าตาและเสียงของเพื่อนร่วมงานเสียงเครื่องตัดหญ้ากลิ่นขยะที่ต้องเดินผ่านทุกวันความไม่พอใจสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดทุกขเวทนาทำให้เกิดความรำคาญและได้ผลตกค้างเป็นอารมณ์บูดหรืออีกนายหนึ่งความพุ่งซ่านที่เกาะตัวหนาแน่นแกออกยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีผัสสะหลายชนิดตรงรา้า ก็ยากที่จะคุยหาว่าสาเหตุความปุงสั้งที่แพ้จริงมาจากไหนกันแน่รู้แต่ว่ามีเรื่องทําให้หงุดหงิดรําคาญใจบ่อยๆเพราะฉะนั้นแทนที่จะต้องค้นหาก็ใช้ตัวต้นเหตุของความรําคาญนั่นเองมาเป็นเครื่องแก้ปกติเมื่อคนเราต้องจําใจทนนั้นจิตก็จะมีอาการต้านอาการฝืนอันเป็นที่มาของความทุกข์ ลองพลิกมุมมองใหม่เห็นศัตรูเป็นมิตรคือเปิดใจรับผัสจะนั้นๆเลิอกออกแรงผลักแต่เหมือนเปิดรั้วกัน้นปล่อยให้เข้าถึงใจเราได้เลยตรงๆจิตจะผันตัวเองจากผู้ถูกทําร้ายมาอยู่ในฐานะผู้ดูจากหลังเวทีไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทนทุกข์แล้วก็ไม่ต้องแกล้งฝืนว่า เป็นสุขสมมติว่านั่งทำงานอยู่สบายๆจูจ่ๆก็มีเสียงรบกวนเช่นคนแถวนั้นเร่งเสียงมอเตอร์ไซค์หรือเดินเครื่องตัดหญ้าซึ่งมีเสียงซอนส่โสดชอนชัยโสดประสาทสิ่งแรกย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็คือโทรศัท์แต่ก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรเพราะอย่างการตัดหญ้านั้น ก็นับเป็นกิจวัตรปกติของเจ้าของบ้านที่มีสนามทั้งหลายขอให้พิจารณา ว, ว่าที่เกิดโทสะ ก, ก็เพราะเราไม่พอใจที่เสียความสงบเงียบไปเมื่อเห็นตัวเราผู้ไม่พอใจก็ดัดออกไปเส้นทางหนึ่งให้เหลือแต่หูเหลือแต่เสียงเหลือแต่ทุกขเวทนาอันเกิดจากเสียงกระทบหู ล่องปิดตาลงและก็ตั้งความสังเกตไปที่ทุกขเวทนานั้นอาจเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเบื้องแรกจะพบว่าเสียงกับทุกแนบสนิทเป็นอันเดียวกันยังแยกกันไม่ออกต่อเมื่อได้ตามรู้ทุกขเวทนานไปทุกสีก้าวสักพักหนึ่งก็จะค่อยๆเกิดสติรู้ตามจริงว่าทุกขเวท น, นั้นนั ขึ้นหรือเบาลงไม่ว่าเสียงจะดังขึ้นหรือว่ารีลงเมื่อเห็นความสัมพันธ์กันระหว่างเสียงกับทุกข์ก็จะมีสัมปชัญญะเห็นทุกข์เป็นคนละสภาพกับเสียงและเมื่อเห็นทุก์หนักขึ้นเบาลงเกิดขึ้นดับไปสักพักหนึ่งก็จะเหลือแต่ความรู้สึกกลางๆ ก, ก็ขอให้มองว่านั่น เป็นสภาพจิต ท, ที่สงบลงจากทุก์ดูต่อไปถ้าได้ยินเสียงก็รู้ว่าได้ยินแต่ปฏิกิริยาจากจิตไม่ใช่ทุกจะเห็นว่าวิธีการแบบนี้เราเคยผ่านมาบ้างแล้วในเวทนานุปัสนาแต่ตรงจุดนี้เราจะนำมาแก้นิวรนโดยตรงหากหั ด, หดได้จากสถานการณ์หนึ่ง ก็จะเห็นว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานการณ์แทนที่ทุกขเวทนาจะดำเนินต่อไปแล้วก็พัฒนาเป็นความกดงซ้านก็เปลี่ยนเป็นปัญญานอนทุกขหรือพลบเหลออาจจะกระทั่งปล่อยวางหลุดจากความถือมั่นว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเลยก็ได้ที่แน่นอนก็คือเมื่อฝึกบ่อย จะเห็นความเปลี่ยนแปลงคือปฏิกริยาทางจิต ท, ที่พรุ่งพร่านสวนผัสสะทันใดจะแผ่วลงโน้มเอียงไปในทางสงบลงเรื่อยๆอย่างน่าแปลกใจสำหรับผู้ที่มเผชิญกับผัสสะอันก่อทุกขเวทนาจะถือว่ามีโอกาสดีได้ฝึกบ่อยเป็นพิเศษถ้าทำให้ได้ผลจิตจะเบาวกว่าฝึกรู้ผัสสะ ที่ได้สุขเวทนาหรืออทุกขมะมสุเวทนามากอุบายกำจัดความลังเลสงสัยรากเหง้าอันเป็นที่สุดของความลังเลสงสัยคือความไม่รู้ หากคนเรารู้แจ้งไปทุกอย่างก็คงไร้ความสงสัยอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าความสงสัยเป็นเรื่องผิดให้มองว่าความสงสัยก็เป็นราคะและโทรศัทที่ทุกคนจะต้องมีและตราบใดยังมีก็ต้องถือเป็นเครื่องขวางทางก้าวหน้าในการเจริญภาวนา ที่ต้องขจัดกันด้วยอาวุธที่พระพุทธองค์ประทานไว้มนุษย์มีศักยภาพพิเศษชนิดหนึ่งในการกระทำจิตให้พ้นจากการห่อหุ้มของความสงสัยนั่นก็คือการใช้เหตุผลโดยมองตามจริงว่าเพราะเหตุมีผลจึงมีเมื่อจับเหตุปัจจัยขอภัยค่ะเมื่อจับเหตุจับผลถูกต้องจนเข้าใจกระจ่างสบายใจแล้ว ความสงสัยตั้งวกวงย่อมหายไปดุจแสงเมื่อศาสตร์มาย่อมไล่ความมืดฉะนั้นนี่เองพระพุทธองค์จึงตรัสว่าความใส่ใจโดยแยบคายเป็นเหตุหลักของความสิ้นสงสัย